ใบโมกมันใบขี้กาใบแมงลักใบฝ้ายหรือใบไม้ที่เป็นยาชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเคหแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพเมื่อมีเหตุจำเป็นภิกษุจึงฉันได้เมื่อไม่มีเหตุจำเป็นภิกษุฉันต้องอาบัต ทุกกฎ